ส่วนใดที่มันเป็นทางชั่วแก้ไขออกจากตัวไปเมื่อแก้ไขออกไปได้ความเบาสบายก็จะเกิดขึ้นแทนหากเรารักความชั่วส ง, งนความชั่วยินดีความชั่วก็วมไม่ควรมาบวชในศาสนาย่ำยีทำดีในํำสอนของพระพุทธเจ้า จะ ท, ที้งกิเลสปัญหาเป็นศาสดามามีวันเวลาที่จะถึงพันิพานได้ให้ถีทธรรมะของพระพุทธเจ้าสัมมาทิตติให้เห็นชอบตามเป็นจริงสัมมาสังกัปโตดำริในทางที่จะออกจากโลกส ม, ม, ม่ำเสมอไปอะไรโลกรู้จักได้อยังเรื่องของโลก ทำไรู้จักสถานที่นี้พี่เจรณาให้รู้จักนำหลีหาทางออกพระพุทธเจ้าออ ก, ออกด้วยวิธีใดจึงออกได้เราก็คนคนหนึ่งธาตุขันอันเดียวกันเหมือนพระพุทธเจ้าเราทำไมจะไม่มีทางออกทางออกท่านบอกไว้เรื่องมรรคแปด เป็นทางออกจากโลกผู้ที่ปฏิบัติตามมัสยิดผู้นั้นแหละผู้จะข้ามไปจากโลกออกจากโลกได้มัสยิดยนมาก็คือศีลการรักษากายวาจาอะไรเป็นผู้รักษากว่าจิตเป็นผู้รักษาถ้าไม่มีจิตกายมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรวาจาก็งผูดไม่ได้ สมาธิความตั้งมั่นของใจมันมั่นไปได้มันเป็นนิสชาสมาธิก็เป็นได้มันมั่นไปในทางผิดให้มันมันม่นในทางถูกอย่างไรเราก็จะต้องตงั้งหน้าตั้งตามั่นอยู่ในศาสนาจะรักษาความดีของเราเอาไว้ จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ให้มันมั่นเข้าไปในแง่นี้ปัญญาทู่ทั่วในเรื่องของสังขารในว่าสังขาร น, นอกสังขารในสังขารเกิดจากใจก็ให้รู้ทั่วพิจารณาจนรอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยวางตามส ภ, ภาพของมันมอเป็นอย่างนั้นจิต ก็ออกได้ออกจากทุกจากโทษในวัฏสรรงสารเนี่ยทรมาเียนที่บายมาขอทุกท่านต้องนำไปที่นิพจานาเขียนว่าเป็นทางที่จะนำจิตนำใจให้ไปสู่ความสุขความเจริญแล้วขอตั้งนาตั้งต า, าเพื่อปฏิบัติรักษาความดีเอาไว้ ต่อจกนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญแวดวาศานสารอธิบายธรรมความน่าคุณพระรัชนาจายองคุคมครองรักษาณปฏิบัติให้รับความสุขความเจริญโดยชั่วหน้ากันเทลินเยวังัดขันอันหนึ่งชายแก่สมมติอดทีมาเห็นมาล่มหลงเ ขาดไม่ขนอันนี้เป็นอย่างไรเข้าใจอีกเมา่อุีนั้นไม่เข้อย่างของาขาดท่องขันเป็นอันหนึ่งต่างหากจากาถาดขันไปขาดขันไม่ทราบอะไรแต่ทุกตอนอย่างไรขาดขันไม่ทราบถ้าหากจิตใจไม่มี มาเกี่ยวข้องเห็นไหมคนตายเขาเคยเดือดร้อนวุ่นวายเจ็บปวดอย่างไรไม่มีสาหรับคนที่ตายไปจะเผาไฟฟังดินแส้น้ําเขาไม่มีการบนเผื่อเราโมไปเร่องของถ่านมันจะแปรไปตามธรรมาชาติของมันอย่างไรเรือ่งองของตั้งขันมันก็แปรไปเป็นทิงที่สุดของมัน มันเกิดมาจากอะไรก็ปรแปรไปตามเรื่องของมันจนถึงที่สุดของธาตุแบบนั้นก็หายไปพุทิมาหลงยึดมันคือมันสำคัญหมายว่ายิ้งว่าชายว่านั้นบ่านี้คืออะไรท่านเข้าใจและเห็นจริงมัใจะถาดแคนีแยก เรื่องธาตุขันออกจากจิตแยกจิต อ, ออกจากธาตุขันเป็นคนละอันละอย่างอันนี้จังทุกขังอนัตตา็เพื่อแก่ความของจิตของจิตใจจิ่เป็นหมายมันสำคัญว่าตัวว่าตนว่าคนว่าสัตว์เมื่อ ถ้าตามเป็นจริงแล้วอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากใจที่ไปยึดถือขาดขันเขาเลยเป็นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาแต่ว่าเขาเป็นนิจจังก็ได้ในที่เขาเป็นอย่างเรเขาก็เป็นนิจอยู่อย่างนั้นใครจะรู้จะหลงเขากะแก่เขาเจ็บเัวตายตามธรรมชาติของเขาเขาไม่เคยหลงตามเร่องอื จะรู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะหลงมันก็เป็นอยู่ อ, นนอย่างนั้นนี่อว่างไงยดจังเพื่อเป็นยึดอยู่อย่างนั้นไม่ว่าคำสอนจะเกิดขึ้นมาหรือคำสอนจะไม่มีเรื่องเหล่านี้มันเป็นจริงของมันอยู่อย่างนั้นทุกขังเงือในในง่อนจิตใจม่หลงเดี่ยวข้อพวกพันมันจะเกิดทุกข์มาจากที่ไหนพอใจในเกี่ยวขอ้อยึดถือ เร่องของข้าเป็นอย่างไรก็เข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นอานตตาธรรมทิวาเนยแต่ตัวตนมันก็ตัวปัญญาจะเรียกว่าอันาก็ได้เมื่อไปเห็นเรื่องของจิตจริงจั ง, ยย ง, งที่บริสุทธิ์ในยึดข้องกับสมุติต่างๆ มันส ม, มตุตไปได้หลายอย่างคิดแพงไปได้หลายทางเลื่องจิตใจจิตใจเราเองถึงยังไม่รู้ไม่เห็นจะทำให้มันโกรธมันเกลียดก็ได้จะทำให้มันรักมันชอบกาหนัดยินดีก็ได้ ท, ทั้งทั้งเรู้ยังเหล่านั้นเขาไม่ทราบอะไรในตัวของเขาลงไปในทาง จิตใจก็เดือนร้อนจิตใจกว่ากำหนักกินดีเถิดเถิดลงไปทางอาจทางธรรมจิตใจก็เบื่อหน่ายจิตใจก็่าคลายกำหนักไปเรื่ององจิตอันเดียวเหมือนกับมีดทั้งเล่มคมมันก็มีสารมันก็มี ดาง ม, มันก็มีสายมืดมันก็มีเงนมันก็มีมมแล้วแต่จะชช้เวลาคนทันคนต่อยคนจิ้มคนเจาะคนทุกคนตำอย่างไรแล้วแต่ใครฉลาดชา้เป็นประโยชน์จิตใจของคนที่มีปัญญาก็จำลองเดียวกันเป็นประโยชน์ แต่คิดถูกพิจารณาถูกแต่คิดไม่เป็นพิจารณาไม่เป็นบวกลบลวงไปตามที่เห็นที่ได้ยินมาเพราะเราทุกคนเกิดมาไม่เคยอบรมทางธรรมะด้านจิตใจเกิดมาผู้หลับผู้ใหญ่หูย่าตายายพ่อแม่ ผี่ญิงผีชายคนแนะสอนทุกเรื่องของโลกที่เขานิยมทมชเชอบกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ปูกความจริงให้การฝังจิตพิ่งคอยจิตห่้องในสิ่งนั้นนั้นคัญว่าดีตามลมปากของเขาไม่ได้พิ้รนะารณาสภาพความจริงของมันว่ามันเป็นอย่างไรการปล่อยใจให้ทุกที กับสัญญาอารมณ์มันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอย่างไรพอไป ม, มีใครที่จะบวกลบกันดูมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นท่านที่นิจะยายนาตามเป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยที่จะน่าติดใจที่จะน่ายินดีในโลกอันนี้ โลกอันนี้แปรปวนเปลีววรร่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกวินาทีในคงที่แต่เราก็ะหลงโลกอันนี้มันยืนยองคงทนโล ก, กจิตเนี่ยมันสำคัญโลกอื่นไม่อยสำคัญเท่าโลกกิต จิตอันเดียวเท่านั้นแหละไป้ลุ่มหลงก็ทำกายทำวาจาให้เสียหายไปด้วยถ้าจิตรู้จิตเข้าใจตามเป็นจริงเดีวยวกายวาจาต้ก็ค่อยเป็นไปถึงจะสมมติม่ถูกอย่างท่าพพทธเจ้าแ่เราก็ ก็อใจเหมือ น, นคนใบ้มันฝันหรือคนใบ้มันดื่มมันทานของนั้นอร็ดอร่อยหรือเผ็ดเชมอย่างไรคนใบ้มันพูดไม่ได้แต่มันรู้จักมีการปฏิบัติการสัมผัสกับอรธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนกระทํานองเดียวกันฉะนั้นคพึงตั้งสติรักษ า, าจิต อยู่ตลอดเวลา่าปล่อยให้ยืดจันหาคอบมงาอารมณ์ส่วนใดซึ่งมาหย่วยุ่จิตใจให้ฟุ้งจึงไปในทางผิดลึกผิดไปในทางโลกทางเสียลางนบดับไว้โดยอาศัยสติรักษาปัญญาแนะนำูนั้น ด่เลตัญหาจะไม่ค่อบงำจิตใจอะไ้ฟุ่งฟูเรือเดือดร้อนถึงจิตยังไม่สงบระงับเป็นสมาธิก็ดีใจว่าที่เราได้รักษาจิตของเราไม่ให้ไปคิดนึกเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลก มีความอุ่นใจมีความดีใจในวันใดก็วันหนึ่งจิตใจจะรู้เห็นตามเป็นจริงให้เหมือนกันกันกบไม้ซึ่งเราตัดแล้วไม่ขึง้ลงโยนลงน้ำเอาวางไว้บนบกในวันใดวันหนึ่งก็แห้งถึงจางของมันจะมีอยู่ในนั้นก่อตาม เ, เพราะเหตุใดเพราะเราไปไหนเอาไปแช่น้ำาวางไว้บนบก ีจิตใจที่ถูกสติปัญญารักษาไม่ให้ตกไปสู่อารมณ์ปัญญาทางต่ำทางชั่วทางกิเลสตัณหายังไม่ถึงที่สุดยิมุนิเพานในวันนี้วันหน้าเขาจะถึงได้เพราะอาศัยสติปัญญารักษาอยู่สม่ำเสมอเป็นตะปะธรรมแผดเผา ความชั่วช้าลาโมให้ตกออกไปให้เหียดแห้งไปได้เราทุกคนกุมมุ่งหวังตั้งใจมาประฏิบัติอย่าไปมองข้ามเรื่องสติเรื่องปัญญาหมั่นศึกษาหมั่นระวังจิตใจท่องตนทุกอีริยาบทระวังรักษาเมื่อสติ พอตัวเป็นมหาสติรักษาง่ายมันจิตมันปรุงอะไรแทบแทแทบแทบรู้จักเรื่องสังขานจิตปรุงขึ้นขึ้นจับจิตเห็นถนัดชัดเจนพอปัญญาเป็นนามธรรมสั้งขาขง น, นาาก็เป็นนามธรรมจิตก็เป็นนามธรรมรูเห็นทานกันทุกวันทุกเวลายิ่งพรุง ทั้งชั่วท่ากุศลยิ่งตะเทียนจิตมากสัญญาเราไปหมายตัางหากที่ทำให้จิตใจไปจิตของท่ากฝสติเกิดเป็นมหาสติถึงที่ฐานการจริงจังมันงงขึ้นมันก็ดับไปงงขึ้นมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้นไม่ว่าส่วน ไดๆทั้งหมดนี่คือมันเขาไปรวมเป็นตัวมหาสติแต่ก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นก็อาศัยฝึกอบรมด้วยสติอย่าๆไปเสียก่อนระวังรักษาพอเห็นรูกเข้าด้วยตาก็ที่ได้นาด้วยใจ ว่งรูปนั้นเราไม่เห็นมันก็มีอยู่เราเห็นแล้วถ้าเราไม่ไปติดข้องความรักความโกรธมันจะไม่เกิดขึ้นอยู่ตามเรื่องของมันจิตใจที่ไมเกี่ยวข้องกับอะไรมันสบายเหมือนกายที่ไม่มีโรคภัยอะไรมาเบียดเบียนแต่ทำไมยินดีเือะเกิน ที่อยากจะให้เกี่ยวข้องพัวพันยึดมั่นในเรื่องต่างๆมันเป็นเพราะอะไรคนมีปัญญาหรือคนหาปัญญานี้ได้ที่ไปจิตข้องสำคัญหมายอย่างนั้นทำไมในสอนตัวเนยสานตัวอยู่สม่าเสมออยากจะเป็นคนสบายอยากจะเป็นคนมีความสุข ทั้งทั้งจิตโลกเขาเป็นทุกข์ติดข้องอยู่ทั่วไปแต่ใ จ, ใจที่ผู้มีอาจมีธรรมฝึกอบรมตัวยิงจังท่านไม่มีอะไรที่จะเพลิดเพลินที่จะติดข้องท่านอยู่ไปในถาดขันอาศัยกันพอถึงวันแตกสลายเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่าน ยินดีเผดเพลิพนพอใจแลจะไม่มีอะไรที่จะทำใจของท่านให้คุณเคีองต่างๆมันกป็แสนสบายถ้าทำได้กว่าทำไมจะทำไม่ได้เพราะพุทธเจ้าท่านได้มาจากไหน ท, ท, ทั้งๆที่ไม่มีใครไปแนะนำสั่งสอนท่านทำไมคนคิดที่นีพพิจนาะ มีเห็นปัจจัยเหลี่ยปัญหาด่ามอเราทั้งหลายต่างคนต่างได้ศึกษาอาัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้สติปัญญาจึงจะเกิดขึ้นไมัใจะอยู่เฉยๆแล้วจะดีเองเราฝึกเรงปฏิบัติ ต่องอดต้องทนต่อผ่าต่องเทียนถึงจะลำบากอยากเย็นก็ให้ถือว่าสิ่งที่เราฝึกเรารักษาเราปฏิบัติอยู่นี้เป็นขอามีคุณค่าหากฝึกรักษาได้จะมีความสะดวกสบายหยือนเย็นแก่ตัวของตัวเองแล่ใช่เราทำเพื่อคนอื่น เราทำเพื่ตัวเขาตัวเองหรือหากยินดีที่จะให้ยิเลศมันกี่หลังหนังคออยู่ตลอดไปอย่างนี้หรือมันแนสอนฝึกตัวอยู่สม่นเสมอความชั่วมันมีช่องทางที่จะมาทับถมมี่จะความดีทวีคูณขึ้นไปผลที่สุด ที่เคยติดข้องในสมมติควจะหลุกออกไปไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องอีกเพราะสมมติเข้าม่ถึงแล้วความเห็นความเป็นที่จะละจะถอนจะบ่มเพนผากเทียนจะภาเพเทียนไปหาอะไรเพราะความเป็นส่วนนี้ ไม่ใช่อยู่ในวงของโลกที่เคยจิตคล่องเคยเศ้าเหม่อเคยยินดีมันก่อ้าจิตที่เข้าไปสู่ความละเอียดสงบรังงับดับสัญญาอารมณ์นันมันไปพักไม่ใช่มันออกจากโลกได้ จิตออกจากโลมันเป็นอย่างไรใครก็จะมีทางสงสัยจากไรจะบำเพนอีกอย่างไรไม่มีทางเป็นปัญหากับใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างจะว่าบริสุทธิ์รืมดก็ถูกจะว่าอะไรก็ถูกทางนั้นเพราะจิตถูก จิตเป็นจิตเห็นจิตรู้นี่ไม่ใช่เราขาดเอาคเนเอาเกิดเห็นเป็นขึ้นจากการฝึกการอบรมทั้งตัวเมื่อเห็นเมื่อเป็นอย่างนั้นทุกท่านไม่เคยมีข้อสงสัยใจบริสุทธิ์เป็นอย่างไรนิ่พานอยู่ที่ไหนจะทำอย่างไรอีก ที่จะสงสัยเพราะความสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างรู้จักและจิตส่วนนี้ไม่มีทางที่จะรักษาจะรักษาทำไมไมันเลมีโทษมีภยัยไม่มีโรคมีกิเีสตัณหาเกี่ยกวกับทั่วพันธ์เหมือนการกับคนไม่มีโรคป็ ต้องรักษาไม่ต้องหาอยุดหายามากเกี่ข้องโรคในกายอะไรใ น, นมีมีจิตจะไปถึงที่กว่าทำนองเดียวกันในรักษาไม่เป็นบ้าหรือบ้าของราว บ, าบ้าอยู่แล้วจะไปเป็นทำไมความบริสุทธ์ของใจของผู้ประปฏิบัติถึงคนอื่นเขาจะสงสัยทั่วไปในโลกว่าจิตใจ อย่างนั้นจิตใจเป็นอย่างนี้ไม่มีมักฝนไม่มีสิของเพื่อปฏิบัติอาธิธรรมไม่สามารถที่จะรู้เห็นเป็นจริงได้ถึงขั้นบริสุทธิมรดญิพานในสมัยนี้นั่นเป็นเรื่องใจของเขาเป็นลมปากของเขาข้อใจของเขาไม่เห็นไม่เป็นเขาก็จะต้องสองสัยอยู่เรื่อยไปเหวี่ยงเห็นถูเป็น เพว่าอย่างนั้นท่านก็เป็นเสียอกตกใจเพราะเรื่องของเขาเพราะให้แก่เรื่องของเราให้บริสุทธิ์เป็นพอมันฝึกอบรมจิตใจของตัวอย่าไปฟังเสียงโนอกอย่าไปดูเรื่องโนอกดูมาแล้วเห็นมาแล้วไม่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรดูใจที่มันคิดมันปรุงมันฝู่มัน แต่งต่างๆเป็นทางแก้ไขหรือเป็นทางเพิ่มเติมที่เหลือตัญหาควรจะละหรือควรจะบำเพ็ญในจิตสีนึกคิดอยู่เดียวนี้ที่จ ะ, ะนาลงจุดนี้มีสติสอยู่สเสมอมีปัญญาสอดส่องมาว่าความเป็นอยู่ของจิตนี่คือการ ปฏิบัติคือการรักษาแม่ใช่จะเปรักษาที่อื่นรักษาที่มันเป็นโรคเนี่ยให้มันหายเพราะไม่มีอันอื่นที่จะเป็นโรคนอกจากจิตใจที่เหลวปัญหาในอยู่กับที่อื่นอยู่กับจิตหาอะไรที่ยานาจิตใน็ลาจิตมันก็ปนไปแกหายที่อื่น เตวที่ในคันมันก็ไม่หายแต่นั้นต้องผู้ได้เจ้าหรือกครูอาจารย์ท่านจึงแนะยให้พิจารณาจิต ข, ของตัวให้กำหนดจิตของตัวเมื่อเห็นเรื่องจิตเป็นตัวโจรเรื่อ ง, อ, ง อ, อื่นมันก็ไม่ค่อยไปเกี่ยวข้องที่ท่านให้พิจารณานาองหน่อออกไปรูปเสียงสินลดต่างๆพอจะมาเห็นตัวโจร คิดว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันอันนี้มันเป็นอย่างนี้คนที่มีปัญญามากก็พูดได้มากคนที่มีปัญญาน้อยก็พูดได้น้อยแต่ความเห็นความเป็นอันเดียวกันถ้าคนเห็นคนเป็นคนรู้จากการปฏิบัติพูดกันคำสองคาเท่านั้นเข้าใจกันไม่มีอะไรจะล้มไสร่างกาย จะเป็นอย่างไรต่อไปในเมื่อ่วนจะแตกจะดับจะสุจะละสามละสายไปขนาดไหนนั่นมันเป็นเรื่องอนาาัตตารูปังอนาาัตตาเวทนาอนาาัตตาบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นไปตามเรื่องของมันใจจิตใจของถันี่บริสุทธิ์จะเป็นไปตามเรื่องของขาดของขันเป็นไปไมนได้ สราบกันดีพูด่รู้เห็นเป็นจริงไม่มีทางสงสัยกันมีคนที่จุ่ดาไม่รู้เห็นตามเป็นจริงท่านพูดอย่างนั้นท่านเป็นอย่างนี้คงไม่ได้สติการตายของท่านคงจะเสียทีาะกระวนกระวายเลือกเกินคงคิดนึก ไปทำนองนั้นแต่นี่ผู้ที่รู้เห็นตามเป็นจริงท่านไม่นึกหม่คิดท่านคิดว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นถาเป็นขันที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามเรื่องของใจไม่ได้ใจท่านก็นเลยเกี่ยวข้องเห็นว่าถาขันมันเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยตามเรื่องของมั น, นจะไม่เกี่ยวข้องอะไรทันกับเรื่องของถาของขันควาบริสุทธิ์มาอยู่กับถาจะขัน อยู่กับความบริสุทธิ์ของตัวนี่หมายถึงพระผีหรือท่านกีมีเวทนาฟ้าอาจ้ า, าเนีเป็นใจส่างๆ น, นานาก่อนจะลมหายตายไปแต่ถ่าว่าใจที่บริสุทธิ์ท่านทราบกันว่าไม่มีทางที่จะเสียหายหรือปวนปั่นลหลงไหลไปตามอาการของกายเวทนานั้นนั้น ความนิยเห็นถึงจุดสุดไม่มีอะไรจะต้องใสกันถ้าห่างงงเราจะต้องฟังใสเรื่อยไปคอยฝึกจิตฝึกใจฟองตัวเห็นนเห็นเป็นขึ้นด้วยตัวเองนั่นแหละเป็นทางดีส่วนคนอื่นท่านรู้ท่านเห็นท่านดีท่านเด่นเป็นเรื่องของท่านเป็นสมบัติของท่าน เราจะมส่วนที่จะได้จะเห็นจะดีจะดินอย่างท่านนอกจากเราจะฝึกตัวของเราให้ดีขึ้นอย่าไปถือเรื่องคนอื่นสำคัญกว่าเรื่องของตัวการฝึกจิตมใจการแบบคปฏิบัติภายในมันดูเรื่องของตัวอยู่สม่มเสมอ ในอย่างนั้นก็จะเสียวันเสียเวลาธรรมะก็จะมีอยู่ตามตำรับตำราตามครูบาอาจารย์เท่านั้นจิตใจเขาขวกเร า, นนะาท่านนักปฏิบัติก็ไม่มีอะไรเพราะไม่เข้าใจที่จะรักษาตัวที่จะฝึกตัวถ้าฝึกตัวดีแล้วคนอื่นเขาจะเดือดร้อนวุน่นวายจะเป็นอย่างไร หรือจตายอย่างไรเป็นเรื่องของเขาเรารู้เราเข้าใจความเป็นภายในแต่ทีว่าเพอไม่ต้องไปรู้มากดูแต่ตัวของตัวกรณีสุดอย่างไรให้เข้าใจการรักษาใจกม่มีอะไรอื่นที่จะดีเด่นยิ่งกว่าสติปัญญาถ้าเป็นยาก็มี ยาขนานนี่แหละเป็นยาขนานเอกสำห ร, รับรักษาโรคความเจ็บจียกันหาหายมานับไม่ถ้วนอาหาเจียจิตจูงไปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วจี烈ตัญหาตกออกไปหายออกไปเกิดการจิตจูง่องเหรมันหมดไปแล้วไม่ต้อมา บวชเรียนเขีนอ่านไม่ต้องมาตอกขึินปฏิบัติคนเราเกิดมานะคิดนับไม่ได้วาลจิตจิดคิ ด, ค ด, คดไปวันหนึ่งหนึ่งไม่มีกระดาษที่จะเขียนใส่ใครจะเขียนมันฝุ่งไปคิดไปไม่หยุดไม่ยอนไม่ทราบว่าคิดดีคิ ด, ด, คดชั่วอยู่ตลอดระยะเวลาของเก่านั่นแหละกับ มาคิดอีกเรองอีกอยู่อย่างนั้นวนเวียนเปลี่ยนแปลงกันไปกอเราหลงพาเราคิดใหม่ความจริงมัน้องเก่าแผานจริงว่าว่าตาวนมันวนอยู่เนี่ยคิดมันตกวนอยู่ในอายตนาทั้งหกอเสียงกลินรถสัมผัส อารมณของใจไปจากตาหัวจมูกลิ้นกาใจไม่ไไปจากที่อื่นนี่ใ้วรวัรักษาที่นี่ที่เริาในตัวเองเมื่อรู้เห็นตัวเองเด่นชัดลงไปละถอนเรื่องความสงสัยออกจากตัวได้ มันก็หายไปหมดในตัวของตัวคนอื่นไม่ต้องไปเกี่ยวข้องแกไขเป็นเรื่องหน้าที่ของเขาเราจะบอกจะบอกอะทานลงไปทานอิม่มมันจะเกิดขึ้นความหายโรคภยมันจะหายไปถ้าทานยาขนานนี้ก็เพียงนี่หน้าที่บอกเท่านั้นพรานผู้ จ, จ้า หรือครูอาจารย์ตัวเราเองต้องทานเองต้องทำเองไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นผลอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของตนไม่มีอะไรอื่นใกลไปจากกายใจเพราะวิเวตตัญหาเกิดจากสถานที่นี้การชำระควระ ตำราจากสถานที่นี้ไต้องไปตําราที่อื่นเนีย่ยตำราตลามันเป็นเชือเป็นน้ำอันหนึ่งแต่ความเป็นจริงของจิตของใจเป็นอย่างไรมีตำราตำลาหรือไม่เราก็ทราบจากการปฏิบัติของเรามันจะมีหรือไม่มีเราก็เคอยใจ ความสุขความสบายความปล่อยวางแกไขมันเกิดจากตัวเองเกิดจากการกระทำทาบเข้าใจไม่มีทางสงสัยความสุขของใจสุขจากสมาธิเป็นอย่างไรเราเคยเคยเป็นเคยเห็นเคยรู้พอไปถูกเขา้าเป็นเขา้าเราก็ทราบความสุขของสมาธิมันเป็นอย่างนี้ ความสุขของการพิจรารณาปล่อยวางคิอเรื่องัญหาทางจิตใจซึ่งเรียกว่าวิปัสนาเป็นอย่างไรแล้วก็ทราบอีความสุขของวีมวตเป็นอย่างไรจิตใจหลุดออกไปทราบอีพอเราเห็นเราเป็นผูกประพติปฏิบัติเองไม่ต้องไปสงสัยว่าผลมีอยู่ที่ กิเลสตัณหามีอยู่สถานที่ใด ท, ทําลายกิเลสตัณหาไปมรรคผลจะเกิดขึ้นก า, า ก, าาการทําลายการทําระการชีนิพิจารณาเรียกความมรรคทำให้มากเรียกของมากจะเล่นให้มากทํามากเท่าไรไม่มีทางเสียหายสมุทัยใจติดจิตงนุนฝูงไปติดข้อง ให้ชำระอย่าไปถือว่าเป็นขอ้อดบข้อดีข้อของที่ไหนขาดที่ไหนชำระที่นั้นตัดที่นั้นจนให้เห็นผลจากชาติเยนในตัวทางสมุ ท, ทัยท่านให้ชำระท่านให้ประหาปรป่าหารสมุทัยก็ไม่เกิดจากที่ใดเกิดจากใจ คือลุมหลงไม่มเห็นตามเป็นจริงมันจริงติดจริงข้อจริงสำคัญมั่นหมายมีโละทะความมุ่งแจงของใจที่แก้ไขกดปล่อยอารมณ์สัญญาปัญหาทิฏฐิต่างๆก็จะเกิดขึ้น พอใจขึ้นมันอยู่ในจุดอันเดียวกันอริยศาสตร์ทั้งสี่ไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่อื่นเรากำหนดจิตด้วยเติตีปัญญาก็ในชื่อว่ามะในชื่อว่าสังละความเจ่อชาลามกความติดข้องห้องใจที่เป็นสมุทัยในตัว กำหนดรู้เหเ็นตามเป็นจิงของมันทุกข์องขาดของขันหรือทุกข์ของจิตของใจทุกข์เรื่องขานเรื่องขันเมื่ายแล้วก็กลอยไปตามธรรมชาติของมันไม่มีทางที่จะแก้ไขตำละให้มันดีวิเศษได้เพราะเรื่องของขาดของขันแต่ทุกในใจ จะไปเกี่ยวข้องฟัวพันเกิดโศกเกิดน้อยใจต่ำใจแข่งใจเหีียวใจเดือดร้อนแผดเขาใจของตัวนั่นเป็นทุกข์จีควรชำระชำระได้โดยจปทรทมคือสติปัญญาม่เหลือวิสัยของผู้ต้องปฏิบัติ พระพุทธเจ้าเลยผู้ขาดว่าผู้หญิงผู้ชายพระเนนใช้ต่างหน้าต่างตางศึกษาที่จรารณาปฏิบัติจริงคนนั้นแหละจะได้สมบัติที่ล้มหักคือวิมุตเกิดขึ้น จิตจากใจที่เคยขัดข้องเศรหมองต่างๆทำร้ายหมดแล้วมันก็หมดปัญหาความสุขความสบายในต้องไปถามหาที่อื่นเียังจะทำร้าจิตทั้งตนให้บริสุทธิ์พอแล้วความสุขในต่องไปหาไปหอบ ไ, ไปหิวไปหามาจากที่ใดความสุขของใจเป็นความสุขที่ เหมาะสมเพียงพอบอริบูรณ์ไม่หุ่นวายเกี่ยวข้องและไม่นากนวงท่วงตัวอยู่สถานที่ใดติดไปทุกระยะทุกเวลาแตกสลายเมื่ อ, อไรก็ไม่มีการเสียใจเพราะเรายังไม่รู้ไม่เห็นไม่ดีไม่เด่นอย่างนั้นอย่างนี้จึงรีบเร่งกตะทำบำเพ็ญ ให้เห็นให้รู้เพราะทุกคนมีอยู่สมมติไทยผู้ที่จะผิดทุกให้แก่ใจก็มีอยู่มรขอปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่นื้ออดความรู้เห็นเป็นจริงแบบทุกสนิททางใจก็มีอยู่ในตัวของเราทุกคนในเลนนีอยู่ ผนไม้ภูเขามันมีอยู่สถานที่ใดมีอยู่ที่กายที่ใจเท่านั้นจึงศึกษาจึงปฏิบัติในจุดนี้อยากจะดีจะเด่นอยากจะรู้จะเห็นแต่ความยากธรรมดาในลงมือปฏิบัติไม่มีทางที่จะรู้จะเห็นจะเป็นได้ตั้งหน้าปฏิบัติไปเอาใจใส่ ในการระวังรักษาความผ่าความเพียนพยายามตามติดเรื่องของจิตอยู่เสมอก็อมีวันมีเวลาที่จะรู้เห็นดีเด่นขึ้นได้ตามความมุ่งมาสาสนาข้องใจเนี่ยทางปฏิบัติ ในทางอื่นปฏิบัติตัวของตัวผลประโยชน์ของใจคนอื่นจะมาหาหามออกไปเป็นตัวเองที่จะได้รับผลประโยชน์นั้นจึงควรยินดีเต็มใจแลปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา้ามีอยู่ทุกคนไม่ใชไม่มีทำไมนม่ ฝกไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้เห็นเป็นขึ้นไม่ได้นีม่มันมีทุกคนแล้วแต่สติปัญญาแล้วแต่ศรัทธาความเพียรของใครถ้าใครมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรกลา้าคนนั้นก็จะถึงจะเห็นจะเปลี่ยนง่ายคนใดที่นอนใจตายใจแล้วแต่อยาก ทำเมื่อไรก็ทำไปไม่อยากทำก็เฉย อ, อยู่คนนั้นก็ถ้าหรือไม่มีเวลาที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้ดะงนั้นเร่งรีบกทํท ำ, ำทําเพนเพราะชีวิตไม่มีเกื่องหมายนายประกันมันตายไปทุกวันทุกเวลาหายใจออกมันก่อตายหายใจเขา้ามันก็อตายมันไม่มีเกรื่องหมาย เราได้แล้วถึงเช่นก่อนถึงจะหมดลมมันไม่ว่ามันจะหมดเวลาใดก็เป็นนาทีของมันนาทีของเราที่จะตางหน้าต่างตาเราคึอปฏิบัติให้รู้อาจเห็นทำตามเป็นจริงเรียบเรีงขวัขวายอย่าลีรอ <c oughs> นี่การอธิบายธรรมะเราเห็นว่าพอสมควรเป็เวลาวิจิตรอย่ยงางนี้เอวัง